ทีนี้สำหรับผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาเนี่ยเจริญเมตตาทั้งแต่เบื้องแรกเป็นเมตตาที่ยังมีประมาณเช่นยังจํากัดด้วยคุณภาพแห่งเมตตาว่าเป็นเมตตาที่ยังไม่ได้ชาญเป็นเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาบั่งประกอบด้วยปัญญาบ้างเป็นอสังขาริกบ้างสังขาริกบ้างเกิดบ่อยๆ่อยบ้างหรือเกิดไม่บ่อยบ้างหรืออารมณ์ของเมตาก็ยังจํากัดขอบเขตเมตตาคนนี้ Target. ไม่เมตตาคนนั้นเมตตา เรียกว่ายังจํากัดอยู่ว่ายัางจํากัดในกลุ่มในหมู่ชนเป็นต้นแต่ถ้าเมตตาระดับอ ป, ปมัญญาตัวเมตตาเองก็ไม่จํากัดปริมาณอารมณ์ของเมตาก็ไม่จํากัดปริมาณเปรียบเหมือนน้าฝนที่ตกทั่วฟ้าว่างั้นนะนะถ้าเมตตาที่ยังมีจํากัดอยู่ก็ไปเรียกว่าฝนตกเป็นที่ทไปเรียกว่ายังไม่ตกทั่วฟ้าหรืออะไรนะเหมือนกับอากาศที่มันเย็นไม่ทั่วเนี่ยนะไม่ไม่ได้เย็นแผ่ทั่ว แต่ถ้าเมตตาที่เป็นอปปะมัญยะเป็นเมตตาที่แผ่ไปไม่มีประมาณเป็นเมตตาที่ไม่มีประมาณแผ่ไปในทิศที่หนึ่งทิศที่หนึ่งก็คือทิศเบื้องหน้าเนี่ยนะทิศที่สองทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือข้างหน้าข้างข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะก็คือสี่ทิศทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บางทีก็แปดทิศก็คือทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะก็จะเป็นแปดทิศแล้วก็ทิศเบื้องบ น, บนเบื้องต่ำก็เป็นสิบทิศแต่ตรงนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเพียงสี่ทิศก็คือทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็อย่างนั้นเธอมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาอันไม่มีประมาณเนี่ยน ะ, อ, ะอันมีเมตตาเนี่ยกว้างขวางอย่างยิ่งหาขอบเขตไม่ได้ เรีว่าไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่ใช่ไม่มีแวร์นะไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีความเครียดแค้นเป็นการแผ่เมตตาไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางไม่คับแคบเลยนะทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกทั้งปดในโลกทั้งหมดอย่างนี้ด้วยประการชนนี้อันนี้เรียกว่าเมตตาที่เป็นลักษณะเมตตาที่เป็นฌาน นะเมตตาที่เป็นชานนนจะเป็นเมตตาที่ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้เปลว่าอย่างที่ว่าผู้ที่ให้แต่ความสงบเยือกเย็นเนี่ยนะให้แต่ความรักให้แต่ความเมตตาปรารถนาดีอย่างเช่นคำที่เราสวดในกรณีเมตตาสวดว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอด เพราะฉะนั้นอย่างท่าตรงนี้ก็บอกว่าขอสัตว์ที่ตะวันออกทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขเถิดขอสัตว์ทิศตะวันตกทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อยู่ในทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางไม่คับแคบอ่ะ น, นะในสัพพสัตว์ทั้งมวลนั้นก็จงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิด ตัวเมตตาเนี่ยแผ่ขยายไปหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เป็นเมตตาที่ไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่มีจิตที่พยาบาทอาฆาตจองเวรแม้แต่ในสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้แต่นิดหน่อยก็ไม่มีเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่ามารดาที่รักบุตรคนเดียวเนี่ยนะน อ, อมบุตรคนเดียวที่เกิดในตนเนี่ยก็มีเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งปวงเหมือนสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นบุตรน้อยของตนที่ตนหวังแต่ความ ความสุขหวังแต่ความเจริญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าเมตตาเจริญเมตตาเนี่ยนะอย่างที่สองเธอเนี่ยมีจิตที่ประกอบด้วยการุณาเป็นการุณาที่เรียกว่าเป็นอัปปมัญญาเนี่ยนะเป็นการุณาที่เป็นอัปปมัญญาแผ่ความการุณาเนี่ยนะการุณาก็คือความคิดที่สงสารต่อสัรว์สัตว์ทั้งหลายนะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มีความทุกข์ทุกของสัตว์เนี่ยนะมีอยู่สองอย่างด้วยกันทุกคือโซกะทุกขของสัตว์ที่เกิดมาในวัฏฏะอย่างหนึ่งทุกของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในวัฏฏะก็มีอะไรบ้างชาติชราพยาธิมรณะเป็นเหตุแห่งโซกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาฟังดูเถอะสิ่งที่ฟังแล้วไม่มีจบเลยเนี่ยนะนั่งเล่ากันได้เจวันเจ็คืนหรือเล่ากันตลอดชาติไม่จบก็คือเรื่องความทุกข์ แต่ถ้าเล่าความสุขว่าช่างชาติเลยมีความสุขเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะเล่าแป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่เรื่องความทุกข์เนี่ยเล่ากันได้เพียงนะเป็นนิทานประัมปราที่ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะไอความสุขทวา่าสุขนิดเดียวเนี่ยนะส่วนที่เหลือโดยมากเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่บอกว่าสุขสักเล็กน้อยนั้นก็พอที่จะกลบเกลื่อนความทุกข์ทั้งปวงได้ก็ ว, ว่าเชื่อไหมโอ้โหเดินไปหน้าแล้งแดดร้อนระอุเนี่ยนะแหมทนกันอยู่ได้ยังไงโอ้ยน่าเบื่อจริงๆ พอได้ยินเสียงเพลงที่แบบเราชอบที่สุดเลยนะมาดังกระหึ่มขึ้นตรงนั้นนะวความสุขได้ม่มีโอ้ยไม่เห็นหน้าออกเลยนะว่าตาเนี่ยนะอย่างสังเกตดูเนี่ยนะไปบ้านไหนเมืองไหนก็ช่างเถอะมันจะมีดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องคลอเคลา้าคละเคล้าให้ให้เจือปนกว่าวให้มีความสุขนะเสร็จแล้วก็บอกพ อ, อยังพอรู้สึกว่าพอให้มีหวังต่อไปอีกเนี่ยนะ ก็ต่อสู้ต่อไปอีกแต่ว่าสรุปแล้วมันก็ทุกอยู่ดีน่ะทุกล้อมหน้าทุกล้อมหลังทุกซ้ายทุกขวาเพราคนร้องเพลงเองก็ทุกไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเพราะฉะสรพพสัตว์เนี่ยนะทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะการอย่างการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะทุกเพราะการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูตนแล้วก็คนที่คิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบเขาก็ต้องหาปัจจัยสี่เผื่อเผื่อเขาด้วยนะ แล้วก็ต่อไปทุกอันต่อไปก็คือทุกในการบริหารร่างกาย น, นะทุกในการบริหารจิตใจก็จิตใจของคนมีกิเลนเป็นยังไงพอดูแลร่างกายเสร็จแล้วเรื่องจิตใจต่อไปแหละ น, นะไหนเดี๋ยวก็ปัญหาราคาปัญหาโทสะปัญหาโมหะเข้ามาอีกแล้วมันเลยไปทําทุจริตกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันก็ทุกเพราะบาปอากุศลกรรมทั้งหลายที่มันกลุ่มรุมอยู่ในจิตใจพันปัญหาทั้งโรคภยัยไข้เจ็บสรปุปัญหาอย่างที่เรารู้รรนี่แหละ มีแต่ความกระวัาที่นี่ไม่มีปัญหาที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่สบายเน like ี่ยนะมีแต่ป้ายสุขขาอย่างเดียวนะโยมที่มันเขียนไว้อย่างนั้นนะนะที่อื่นไม่มีเลยเนี่ยนะมีมีแต่ป้ายเดียวคือป้ายสุขาเนี่ยนะสุขาก็เขียนได้เท่านั้นนะนะที่อื่นเนี่ยไม่มีเลยที่ว่ามันสบายอนะที่นี่แสนจะสบายไม่มีมีแต่ว่าป้ายสุขามีที่เดียวที่อื่นๆเนี่ยทุกหมดเลยนะทีนี้เมื่อ สัพพสัตทั้งหลายน่ากรุณาอย่างนี้ก็หวังว่าขอสัตวทั้งปวงจงเป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิดอนะขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากทุกเถิดถ้าอย่างเมตตาเนี่ยขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขเถิดนี่เป็นเมตตาขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงอยู่เถิดอันนี้ก็เป็นกรุณาพันก็แผ่กรุณาเนี่ยไปว่าขอส nee, ัตว์ท <mos ør> ั้งปวงที่อยู่ในทิศตะวันออก จงพ้นจากทุกเถิดขอสัตว์ทั้งปวงที่อยู่ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนเบนื้องต่ำทิศเบื้องขวางเนี่ยนะขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงพ้นจากทุกทั้งปวงเถิดขอให้พ้นจากทุกกายทุกใจเนี่ยนะถ้าเมตตาก็ขอให้เขามีความสุขทางกายและสุขทางใจถ้าเป็นมุทิตาล่ะก็ยินดีด้วยเนี่ยนะชื่นชมยินดีกับความสุขที่คุณมี ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่มีความทุกข์แล้วที่พ้นจากทุกข์แล้วก็ขออย่าได้มีทุกข์อย่างอื่นมาเจือปนแอบแฝงอยู่เลยขอให้มีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตลอดไปเถิดเพราะว่ายินดีที่เขามีความสุขยินดีด้วยที่เขาพ้นทุกข์อันนั้นก็เป็นมุทิตาเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เรียกว่าต้อง ไม่ปรารถนาะจะให้สัตว์เดือดร้อนเลยนะปรารถนาให้เขาที่เขามีความสุขก็ขอให้เขามีความสุขยิ่งต่อไปที่เขาพ้นจากทุกข์แล้วก็ขออย่าได้กลับเวียนมาหาทุกข์อีกเลยเนี่ยนะขอให้มีแต่ความสุขต่อไปเถิดดีใจด้วยอนุโมทนาด้วยชื่นชมยินดีที่เขามีความสุขเนี่ยนะก็คำว่าพลอยยินดีดีใจด้วยนะนะขอดีใจด้วยที่พ้นที่มีความสุขแล้วก็พ้นจากทุกข์นันเ ที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอันนี้ลักษณะของมุทิตาก็เจริญมุทิตาเนี่ยขอขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปอันนในสัตว์พระสตว์ทั้งปวงในทิศเบือ้องทิศที่หนึ่งที่2ที่3ที่4ก็คือทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบนืบ้องต่าไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะเจริญมุทิตาดีใจไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือไม่ก็อภัมมัญญาอย่างที่4ี่ก็คืออุเบขา กูเบขาสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขก็ตามสมควรแก่กรรมของตนที่เขามีทุกข์ก็ตามสมควรแก่กรรมของเขาเขาจะทุกข์ก็ตามกรรมของเขาเขาจะสุขก็ตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะเขาจะทากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาป ตามสมควรแก่กรรมแล้วกันเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะเพราะฉะนั้นก็รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิดเนี่ยนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแล้วกรรมเหล่าใดที่น่าทำล่ะนะครับเขาจะสุขก็สุขเพราะกรรมของเขาเขาจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะกรรมของเขาคําว่ากรรมนี่เป็นชื่อของอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุขทุกข์ตามสมควรแก่กายกรรมวจีกรรมแล้ว มโนกรรมถ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีโทษยังไงก็ให้ผลเป็นทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่มีโทษอย่างไรก็ให้ผลเป็นสุขก็วางใจว่าทุกคนมาด้วยกรรมของตนเมื่อเขามาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปตามกรรมของเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนไม่ใช่กรรมแล้วแต่กรรมกรรมไหนก็ไม่รู้เยนะ วกรรมคืออะไรไม่แบไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่กายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมตามสมควรแก่เจตนาและการเหมั้นถ้าเจตนาอย่างไรก็ตามสมควรแก่เจตนาเนี่ยนะแล้วก็เจริญอุเบกขาเนี่ยนะเมตตาการุณามุทิตาเนี่ยเป็นอัปปมัญญาได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามได้สามฌานด้วยการส่วน อุเบกขาเนี่ยได้ชถึงชานที่สี่เนี่ยนะชานที่สี่ไอ้อุเบกขาเนี่ยไม่ได้อุเบกขาแบบโมหะแต่อุเบกขาด้วยตัตระมัชตตาเขาเรียกว่าวางใจได้อเอาก็ก็ทุกคนดูแลตัวเองแล้วกันเหมือนกันเถอะนะก้ว่าทุกคนดูแลตัวเองอาจจะว่ากโกรธก็ไม่ใช่จะว่าคือจะว่าขาดเมตตามันก็ไม่ใช่เนี่ยนะแก้ว่าเหนือเมตตาไปสูงไปแล้วเนี่ยนะเหนือกว่าเมตตาเนี่ยก็แผ่ อ, อุเบกขาอันนี้ไป แผ่อุเบกขาที่เรียกว่าตัตตะมัชตะตาเนี่ยไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องซ้ายเบื้องขวานเนี่ยนะเป็นต้นไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรู น, นะนะแพ่อุเบกขาอันเนี้ยไปในทิศทั้งหมดเนี่ยนะตลอดในโลกทั้งสิน้นอันนี้เรียกว่าอัปปมาญญาเจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นทางใจที่ไม่มีประมาณ น, นะนะหลุดพ้นจากอะไรจากโทสะทั้งหลาย บอกว่าคนที่เจริญเมตตาหรือเจริญพรหมวิหารจนได้ฌานทั้งสประการเหล่านี้เนี่ยนะโดยปกติทั่วไปก็ไม่มีอะไรทําให้โกรธง่ายๆนะไม่มีเรียกว่าปัจจัยที่จะทําให้โกรธเนี่ยน้อยมากเลยหรือแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอนุภาพของเมตตาที่ที่ที่เขามีอยู่เนี่ยคนที่มีเมตตาจริงๆแล้วเนี่ยจะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความสุขมากคนที่มีความสุขเนี่ย ไม่มีเรื่องอะไรทำให้ให้ทุกข์ให้ร้อนให้ลําบากเพราะถ้ามีเมตตาจนถึงปริมาณที่ที่สูงสุดตามตามกฎเกณฑ์ก็คือได้ฌานเป็นต้นเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีความสุขเนี่ยนะพวกบุคคลเหล่านี้หลับก็เป็นสุขอยู่แล้วเนี่ยนะตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายก็ช่วยปกปักรักษาไฟสาตรายาพิษทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะ แล้วก็สีหน้าก็ผ่องใสใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วไม่หลงทมกาละถ้าหากว่าไม่บรรลุอรหัตผลก็พรหมโลกเป็นที่ไปนี่นะคือบุคคลเหล่านี้จึงจึงอยู่ด้วยความสุขนี่นะปราศจากทุกที่แท้จริงเหนนเถอะมันเป็นอัปปมัญญาที่แผ่ไปหาประมาณไม่ได้อ่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอย่างเนี้ยเป็นความหลุดพ้นทางใจที่ไม่มี ขอบเขตจํากัด ก, ก, ก็อปประมาณญาเป็นใจที่หาประมาณไม่ได้ไนะไม่มีประมาณเนี่ยนะเพราะไม่มีโทสะมมาม า, มาเป็นเขตขั้นเขตแดนว่าเออเนี่ยมีเมตตากับคนนั้นเมตตากับคนนี้มันคนที่มีเมตตาอย่างนี้ก็จะไม่มีประมาณและเหมือนอย่างว่าเมตตาคือคือเหมือนกับน้ำอ่ะนะน้ำที่ให้แต่ความสงบร่มเย็นให้แต่ความสงบเยือกเย็นคนที่มีเมตตาสูงที่สุดก็จะมีเมตตาเหมือนกับ เหมือนกับน้ำเนี่ยนะเหมือนกับน้ําเนี่ยสมมติว่าเมตตาของคนที่เจริญสูงสุดเอาแล้วถ้ามีคนมาหาเรื่องอ่ะเขาจะโกรธไหมก็ <Billie. S 1> บ, บอกว่าเอาเคยเห็นน้ําบอ่อน้ําใหญ่ๆเลยไหมสระน้ําใหญ่ๆเนื้อที่เป็นพันไร่เนี่ยเป็นน้ําใสสะอาดถ้าเรียบลงดีอ่ะมีคนคนหนึ่งเขาเนื้อตัวเขาสกปรกเขาบอกว่าเขาจะแกล้งน้ําอ่ะจะทําให้น้ําทั้งคุ้งเนี่ยทั้งพันไร่เนี่ยสกปรกหมดเลยเนี่ยทําสําเร็จไหม ด้วยเนื้อตัวที่เขาคิดว่าเขาสกรปรกตัวเขาสกรปรกเขาจะจมไปทําให้น้ำมันสกรปรกทั้งหมดไม่น้ําอันนั้นก็สร้างแต่อะไรกว่าทําให้เขาสะอาดขึ้นทําให้เขาสบายขึ้นฉันใดเนี่ยนะผู้ที่มีน้ําคือเมตตาเนี่ยนะแผลอัปมัญญาไปหาที่สุดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ไปรดน้ําให้คนอื่นก็เจริญเมตตาด้วยนะ น, น้ำในน้าใจมั่งก็ได้เนี่ยนะเจริญน้ําใจขอให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะตั้งความปรารถนาดีทุกครั้งที่คิดอย่างนี้ก็ ก็เป็นอะไรเป็นเป็นกุศล จ, จิตทุกครั้งเนี่ยนะรถด้วยน้ําใจคือเมตตาบ้างเรจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อ ย, น, ยนะนะรถด้วยน้ําใจที่กรุณาเป็นต้นนะย้อนกลับมาทบทวนว่าเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานั้นเป็นเมตตาที่หาประมาณไม่ได้เป็นอัปปมัญญาเจโตวิมุติ